อย่างนี้แหละคุณจะลดกิเลสคุณและอย่างเงี้จะได้มรรคผลนะเอาตรงนี้ให้เข้าใจเรื่องของคําพูดนะอย่างที่พระเจ้าท่านตอนเนี้ยท่านใช้คําว่าท่านใบลานเปล่าท่านใบลานเปล่าก็สะกิดใจได้จริงๆพระโพธิลาก็รู้สึกเลยนะเพราะว่าจริงๆจะว่าไปเนี่ยท่านเป็นคนโง่ไหมพระโพธิละอ่เป็นคนฉลาดฉลาดแบบไหน ฉลาดในการเรียนรู้อฉลาดในการจดจำอะไรต่างๆฉลาดแต่ไม่ฉลาดในเรื่องของอในเรื่องของการจับกิเลส ต, ตัวเองลดกิเลสตัวเองไม่ฉลาดที่จะรู้ตัวนี้หรือพูดพูด ง, ง่ายๆนะฉลาดในการศึกษาธรรมะฉลาดในการสอนคนอื่นเขาแต่โง่ ง่ในการที่จะเรียนรู้กิเลสตัวเองแล้วก็ลดละกิเลสตัวเองอันนี้พูดให้มันชัดๆนะนะ <c oughs> เสร็จแล้วตอนนี้ก็ปากรว่าเอาละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนี้ก็โอ้โหแทงใจท่านเหมือนกันนะท่านก็รู้สึกขึ้นมาเพราะนั้นจึงมันเกิดความสล ด, ดใจยิ่งนักได้สํานึกที่จะฝึกฝนตนโดยตั้งจิตขึ้นมาว่าบัดนี้แหละเราจะหาที่สงัด กระทำสัมมณธรรมเกิดตั้งจิตรหรือเกิดอธิษฐานขึ้นมาเลยนะการอธิษฐานก็คือการตั้งจิตนั่นเองวันพ่อโดนอย่างนี้เข้านี่โอ้โหนี่แสดงว่าผู้เจ้าสอนโดยโดยอ้อมเท่านั้นเองนะแค่เรียกท่านว่าท่านไม่ลานเปล่าท่านไใบาลานเปล่าแค่นี้เองไม่ต้องพูดอะไรมากเลยโอ้โหทั่นรู้สึกได้ละแล้วรู้สึกแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองทันที อันนี้แสดงว่านี่ท่านมีบารมีของท่านเหมือนกันนะท่านต้องการเปลี่ยนแปลงทันทีเลยเพียงแต่ว่าท่านโดนลาบสักระอะไรต่างๆเนี่ยเล่นงานมาเยอะเหมือนกันทำให้ท่านหลงตัวแล้วก็อะไรนะลืมตัวหรือเขาเรียกว่าถือตัวมีมานะเนี่ยเขาเรียกว่าถือตัวเพราะฉะนั้นคนอื่นจะสอนท่านก็ยากด้วยถูกไหมโอ้ท่านรู้ธรรมะเยอะคนอื่นใครจะมาสอนท่านยากเผลอๆเน่ย ใครจะสอนใครยังสงสัยอยู่อ่านข่าวนี้ก็เลยพอท่านเข้าใจตรงนี้ได้ปั๊บใช่ไหมท่านก็เลยตั้งจิตขึ้นมาเลยว่าจะหาที่ที่ที่จะบำเพ็ญสมณธรรมคำว่าสมณธรรมก็คือจะหาที่ที่จ ะ, ะสงบระงับกิเลสของตัวเองลงให้ได้เพราะสมณะก็แปลว่าผู้สงบนั่นเองนะหรือ ถ้าแปลคำว่าสมณธรรมเนี่ยก็แปลว่าธรรมะของผู้สงบระงับกิเลสอันนี้พอท่านคิดอย่างนี้ใช่ั้ยแล้วก็ออกสแสวงหาเดินทางไปได้ไกลระยะหนึ่งพบอาวาสในลาวป่าแห่งหนึ่งจึงเข้าไปหาภิกษุที่เป็นพระสังฆเถระคำว่าพระสังฆเถระเนี่ยหมายถึงพระผู้ใหญ่สุดในในที่นั้นนะในในเถระที่นั้น เถระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่อยู่แล้วอันนี้สังพะเถระเข้าไปเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้ใหญ่ในในผู้ใหญ่ในที่นั้นนะก็คือพูดง่ายๆหัวหน้าหรือว่าผู้ที่มีพรรษามากที่สุดในในหมู่เถระนั้นอย่างน้อยๆเถระก็ต้องกี่พรนสาขึ้นไปอ่าสิบรันาขึ้นไปปรากฏว่าเนี่ยไปไปถึงอาว่าแถ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหมี พาเทระอยู่เยอะแยะเลยนะเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปหาพาเทระผู้ใหญ่ที่สุดเลยทำการไหว้แล้วกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญขอให้ท่านเป็นที่พึ่งของผมเถิดคือปรากฏว่าพอเข้าไปเจออาวาสนี้เท่านั้นเองอารามอารามที่นี่แล้วเข้าไปขอเลยขอกับพาผู้ใหญ่เลยว่าขอเป็นที่พึ่งก็หมายถึงว่าเหมือนกับมาขอเป็นลูกศิษย์นั่นเองขอให้ช่วยอบรมสั่งสอนให้ด้วยเนี่ย การขอเป็นที่พึ่งพระสังฆเถระนั้นรู้ถึงชื่อเสียงของภิกษุโพธิลมาก่อนจึงได้เอ่ยปากออกไปว่าท่านเป็นถึงพระธรรมกรถึกธรรมกถึกหมายถึงอะไรพระนักเทศน์นั่นเองคือเทศเก่งสอนเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าธรรม ก, กัึกเรถึกวันพระสังฆเถระนี่ท่านรู้พูง่ายท่านรู้จักอะ่ะวันท่านก็บอกโอ้โห นี่ท่านเป็นพระธรรมกระถึกธรรมะต่างๆที่พวกเราจะรู้ได้ก็เพราะอาศัยท่านต่างหากเล่าฉะนั้นท่านจึงมาขอเช่นนี้คือพูดง่ายๆว่าเอา้าเอา้ใครจะมาขอใครกันแน่ก็ท่านก็สอนเก่งออกแล้วทำไมจะมาขอผมเป็นที่พึ่งพูด่ายจะมาขอเออจะมาขอผมเป็นที่พึ่งอย่างเงี้ยภิกษุปโปธิละยังคงกล่าวยืนยันอย่างเดิมว่าขอท่าน จงเป็นที่พึ่งของผมด้วยอขอร้องและคราว น, นี้พระสังฆเถระก็ไม่ได้รับปากอ้าวขอร้องยังไงก็ไม่ยอมรับปากด้วยความคิดที่ว่าดูนะท่านคิดยังไงท่านถึงไม่รับปากภิกษุนี้ยังมีมานะอยู่มากเพราะความที่เรียนธรมมามา ร, ธรมะมามากรู้ธรรมะมามากไม่กล้าสอนพูดง่ายๆท่านไม่กล้าสอนเพราะอะไรอ่ะ เอาสมมุตินะยกตัวอย่างเอาสมมุติเนี่ยอาตมาสอนพวกคุณมาเยอะแล้วหลายปีแล้วสอนมาหลายปีอ่ะวางทีคุณอะไรต่ออะไรคุณก็มาถามอาจมาใช่ไหมอาจารย์รมาก็ค้นคว้าให้บั่งหรือว่าเข้าใจรู้อะไรได้ก็บอกพวกคุณไปเสร็จแล้วอยู่ดีดคุณมาเจอวันหนึ่งบรากฏว่าอาจมาเข้าไปหาคุณเสร็จแล้วก็บอกว่าขอผมเป็นลูกศิษย์ท่านสักคนหนึ่ง <laughs> คุณจะรู้สึกยังไง ร, รู้สึกเป็นงงเหรอ อ่าตอนนี้ก็ยืนยันไปอีกยืนยันไปว่าขอผมเป็นลูกศิษย์ของท่านเถอะอะไรเงี้ยเอาเป็นไงต่อให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยอยากเป็นลูกศิษย์จริงๆแฮะแต่อดคิดไม่ได้ว่าเว้ยก็ท่านรู้มากกว่าเรานี่ว่าใช่ไหมอย่างน้อยก็คงคิดอยู่อะว่าเอ๊ะรู้มากกว่าเราแล้เราจะไปสอนอะไรปกติก็โดนท่านว่าเอาว่เอา ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันอดไม่ได้หรอกมันก็แน่นอนเน่ยคิดอย่างงี้แน่นอนตอนนี้พระสังฆาเถระนี่ก็คิดอย่างงี้เหมือนกันท่านก็เลยไม่กล้าไงพูดง่ายๆฉะนั้นดูนะท่านเลยแก้ปัญห า, ายัางไงฉะนั้นจึงส่งภิกษุโปธิละไปหาพระเถระรูปอื่นแทนเพื่อหมายให้รถมานะนั้นคือพูดง่ายๆว่าคือท่านเชื่อมั่นว่าเนี่ย โอ้โหได้ลาบสักระได้ชื่อเสียงสรรเสริญอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วความรู้ก็มีมากมายเนี่ยรับรองไออัตตามานะอะไรพวกนี้ยังยังอยู่เยอะเลยยังมากเลยท่านไม่กล้าสอนหรอกเพราะฉะนั้นท่านก็เลยคิดว่ายังไงต้องจัดการลดมานะให้ให้ท่านแบบว่ายินยอมพร้อมใจเต็มที่ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นแทนที่ตัวเองจะรับเป็นที่พึ่งให้ท่านก็เลยไม่รับ ท่านก็เลยส่งต่อไปให้พระเถระรูปอื่นแทนแม้พระเถระรูปอื่นก็คิดอย่างพระสังฆาเถระเช่นกันส่งไปให้ที่ไหนก็ตามนะพระเถระรูปอื่นก็คิดเหมือนกันเลยภิกษุโปธิละจึงถูกส่งตัวไปหาพระเถระทั้งหมดในที่นั้นเป็นลําดับวุ่นง่ายว่าถ้าในที่นั้นน่ะมีอยู่สิบรูปก็โดนส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อยส่งไปเรื่อย ถ้ามีอยู่สามสิบรูปก็โดนส่งไปเอยส่งไปเรื่อยจนไปถึงเรียกว่าถึงองค์สุดท้ายเลยนะถึงองค์ที่สักถึงรูปที่สามสิบเลยจนกระทั่งถึงพระเถระรูปสุดท้ายแม้พระเถระนี้ก็ปรารถนาลดมานะของภิกษุโปธิละให้จงได้จึงส่งตัวไปให้สา ม, มนเณนรเพิ่งบวชใหม่สุดโอ้โหแมพระเถระรูปสุดท้ายนี่หนักข้อที่สุดเลย จริ ก, ก็น่าเห็นใจท่านเหมือนกันเลยนะเพราะท่านก็อยากจะบายออกพูดภาษาเดียว น, ยนะอแต่เอา้าเท่ะอื่นๆนี่ท่านบายมาหมดแล้วอ่ะท่านส่งผ่านมาหมดแล้วอ่ะเหลือท่านรูปสุดท้ายแล้วไม่มีที่ลองรับแล้วสิคนนี้โอ้ยท่านก็พอดีมีเนน <c oughs> มีเนนอยู่ในวัดก็เลยแล้วเหลือเกินตรงที่เรียกว่าเป็นไงทรงให้สามเณรที่เพิ่งบวชใหม่ล่าสุด เหมือนวันนี้มีสมณะใหม่ล่าสุดของชาวโซเลาท่านอะไรอ่ะท่านสยามอ่ะไม่รู้ฉายาอะไรสัจจะอะไรนะสัจจะอะไรไม่รู้จำได้แต่สัจจะตัวเดียวเนี่ยเยรูปล่าสุดเพิ่งบวชวันนี้เองแต่นี่หนักข้อต้องให้สมนเนณเณรเลยบวชสดสดร้อนๆ้อนเลยบวชใหม่ล่าสุด ซึ่งมีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นโอ้โหหนักข้อจริงๆนะเป็นผู้อบรมสอนให้เนี่ยส่งไปเลยแล้วไม่บอกกล่าวเนรด้วยนะส่งไปเลยบอกเนี่ยท่านนะท่านจะมาพึ่งผมใช่ั้มพูดง่ายๆนะท่านไปหาเนนรูปนั้นรูปนั้นเนี่ยบอกเลยบอกให้ไปหาเนรรูปนั้นรนั้นพิกษูโปธิละ ต้องปนมือแสดงความเคารพเข้าไปหาสามเณรที่กำลังเย็บผ้าอยู่ในที่พักแล้วกล่าวว่าท่านสัตบุุษขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผม <c oughs> เข้าไปหาเนนด้วยความอ่อนน้อมแล้วก็ขอเนนโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องการลดอัตตามาณที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆคิดดูพระธรรมกระถึกนะจริงๆถ้าตามพินัยเนี่ย มาไอ้นั่นเนนไม่ได้นะมากราบไหวอะไรเนนไม่ได้นะอาบัตนะมีความผิดนะยิ่งถ้าท่านรู้อย่างเงี้ยถ้าใจท่านไม่ยอมจริงนีไม่ยอมทำหรอกแต่นี่ตอนนี้ท่านต้องการที่จะทำยังไงจะให้ท่านาบารรลุทำได้ทำยังไงจะให้ท่านลดกิเลส ข, ของท่านได้อะอท่านก็เลยยอมแม้จะต้องมาขอสัมมเนรเป็นที่พึ่งคือเหมือนกับขอให้สัมมเนรเป็นอาจารย์ให้อย่างเงี้ย โอท่านยอมนะก็เลยแล้วเรียกเนนไม่เรียกเนนด้วยเรียกท่านสัตตบุรุษคําว่าท่านสัตตบุรุษหมายความว่าท่านผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิโอ้ถือว่าตัวเองนี่มิฉาทิฏฐิอ่ะยกยกย่องเนนด้วยว่าท่านสัตตบุรุษคือผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมาได้ถูกต้องอ ถึงจะเรียกว่าสัตบุรุษพอพูดไปอย่างนี้ใช่ไหมสามมณเฑ น, นถึงกับสะดุ้งตกใจรีบพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรกันท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นพระหูสูตรกับผมต่างหากเล่าที่จะต้องพึ่งท่านอ้าใครจะไม่ตกใจใช่ไหมโอ้อยู่ีดีโหพระเหมือนกับเหมือนพระผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเป็นพระหูสูตร แลกี้นี้บอกเป็นพระธรรมกระถึกใช่ไหมข้านี่เรียกเป็นพระหูสูตแล้วหมายถึงอะไรอผู้มีความรู้ในทางธรรมะมากผู้ฟังมามากผู้เล่าเรียนธรรมะมามากเขาเรียกว่าพระหูสูตรวันเนรนี่ก็รู้สิรู้อา้าวใช่ไหมก็เลยบอกโอ้โหท่านเป็นพระหูสูตรนะผมต่างหากและต้องพึ่งท่านไม่ใช่ท่านมาพึ่งผมพอพูดไปอย่างนี้ใช่ไหอท่านปธิลัะ ก, ก็บอกว่า ท่านสัตตบุรุษท่านอย่าปฏิเสธเลยท่านเป็นความหวังสุดท้ายแล้วขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมด้วยเถ oh ิดโอ้โหฟังแล้วน่าสงสารจังเลยนะแหมเรื่องนี้อาตมาว่าสอนยอดเยี่ยมมากเลยในเรื่องของการลดอัตมานะพอพูดอย่างนี้ออกไปใช่ไ้มแหมหน้าหน้าห น, น้าสงสารและน่าเอ็นดูอย่างมากเลยสุดที่จะหลีกเลี่ยงได้ สามเณรจึงขอคำรับรองเพื่อความมั่นใจเอาไว้ก่อนท่านอาจารย์หากท่านยินยอมอดทนอยู่ในคำสั่งสอนของกระผมได้กระผมก็จะยอมเป็นที่พึ่งของท่านเช่นกันออแสดงว่าจริงๆเนี่ยพระเทละรูปสุดท้ายเนี่ยที่ส่งมาให้เนรรูนปนี้เนี่ยแสดงว่าจริงๆก็จะต้องรู้เหมือนกันนะ ว่าเนรรูปนี้ก็คงจะต้องมีไหวพริบมีปฏิภาหรือว่ามีปัญญาอยู่บ้างอะ่ะไม่งั้นชี้สวส่งมาได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนะ่ะท่านก็ต้องรู้อยู่ท่านถึงส่งแล้วก็บังเ อ, อิญบังเ อ, อิญนะเพิ่งบวชใหม่ซะด้วยสิใช่ไหมปรากฏว่าเนรนี่ก็เห็นไหมนี่แสดงถึงความมีปัญญาใช่ไหมใช่ไหมบอกอถ้าท่านอยากจะให้เป็นที่พึ่งของผมนี่ท่านจะมาพึ่งผมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านต้องอะอะไรคํามั่นสัญญานะ ว่าผมสั่งอะไรไปเนี่ยผมสอนอะไรไปท่านต้องทำตามนั้นนะพูดอย่างง่ายตอนนี้พอพูดอย่างนี้ปับ๊บที่แมพระปพิละก็บอกว่าผมทำได้แน่แม้ท่านสัตตุรุษจะบอกให้ผมเข้าไปสู่กองไฟผมก็จะเข้าไปสู่กองไฟทันทีโอ้ยืนยันนะคือพูดอย่างง่ายว่าตอนนี้จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นกิเลสมาได้เท่านั้นเองแสดงว่าลดอัตามาได้เยอะทีเดียว สัมมาเดชได้ฟังเช่นนั้นแล้วมองไปที่รอบบริ เ, เวณและเห็นสระน้ำแห่งหนึ่งพอหันกลับมาดูภิกษุโปทิละที่ครองจีวรชั้นดีมีราคามากจึงต้องการทดสอบใจของภิกษุโปทิละว่ายินยอมลดมานะแล้วจริงหรือไม่โดยสั่งออกไปว่าท่านอาจารย์ท่านจงลงไปในสระนี้ทั้งที่นุ่งห่มครองจีวร อ, อยู่อย่างนี้แหละ โอ้นี่ทดสอบแล้วว่าจริงหรือไม่จริงบางคนเนี่ยตั้งใจมาจริงนะแต่พอโดนทดสอบเพิ่งจริงบางทีชักจะไม่ไม่ยอมก็ได้ใช่ไหมความตั้งใจเหมือนกับบางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะตั้งตะบาะตั้งใจวันนี้เดี๋ยวจะตั้งตาบะอย่างนี้โอหพอมาเห็นกับข้าวเข้าเอาไว้พุ่งที่ดีกว่าพอมาเจอของจริงเข้าบางทีโอ้โหใจมันเปลี่ยนได้มันเนนเน้เน น, นี่ฉลาด เพราะนั่นแหมมาขออย่างนั้นขออย่างนี้ไอเวลาพูดกับพูดง่ายใช่ไหมเพราะฉนั่นต้องลองของจริงหน่อยละเพราะนั่นเอาเลยเห็นสาดน้ําอ่ะท่านลงไปชุดนี้เลยเนี่ยรุ่งห่มของจีวรมาดีๆเงี้ยโอ้โหจีวรราคาแพงซะด้วยบอกเอาเลยท่านลงน้ําไปเลยไ <c oughs> ม่ได้ชักชาเลยภิกษุโปชิระได้ฟังคําสั่งเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็ก้าวเท้าลงสู่สาดน้ําทันทีพอลงไปได้ลึกถึงเอว จีวองเปียกน้ำไปมากแล้วเท่านี้ก็เป็นที่พอใจของสัมมนเนนสัมมนเนนจินตโกนไปว่าจงกลับขึ้นมาเถิดท่านอาจารย์อลองใจดูพออย่างนี้ปับ๊บใช้ได้นะเอาขึ้นมาเลยกลับขึ้นมาเมื่อภิกษุโปธิละขึ้นจากน้ำแล้วสัมมนเนนได้พาไปดูที่จอมโปรกแห่งหนึ่งซึ่งมีรูเป็นช่องอยู่หกช่องแล้วสอนธรรมะ แกภิกษุโปทิละว่าช่องเหล่านี้ของจอมปลวกตัวเหี้ยอาศัยเข้าไปอยู่ภายในนะมีจอมปลวกอยู่อันนึงนะมีรูอยู่หกหกลูเพื่อนะหกช่องนะเนี่ยจะมีตัวเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยชอบชอบเขา้าาออกเนี่ยอาศัยจอมปลวกเนี่ยอยู่หากต้องการจับตัวเหี้ยนี้จะต้องอุดไว้ห้าช่อง แล้วเฝ้าคอยดูช่องที่6เอาไว้จึงจะจับตัวเหี้ยที่เข้าออกช่องนั้นได้ อ, อันนี้นะสัมเณรก็พูดให้พระโพธิละฟังดุดเดียวกับทวารทั้ง6อะไรบ้างดุดเดียวกับร่างกายของเราเนี่ยทวารทั้ง6มีอะไรบ้างตาหูจมูกลิ้นกายสุดท้ายก็คือใจนะดุดเดียวกับทวารทั้ง6นั้น แม้ท่านก็จงสำรวมทวารทั้ง5าไว้สำรวมทวารทั้ง5คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วคอยดูแลรักษามโนทวารนะคือดูใจเอาไว้ก็จะจับกิเลส ท, ที่เข้าออกในใจได้ <c oughs> นี่คือคำสอนของสัมปะเนรลูกนี้แม้แล้วข้าใจเปรียบนะพาไปดูจอมปวก จอมปวกตอนนี้เหมือนกับอะไรอ่าจอมปลวกที่เหมือนกับอะไรโดยเฉพาะร่างกายที่เป็นอะไรที่มีใจเราอยู่ด้วยใช่ไหมเสร็จมีรู้อยู่หกรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ปิดซะก็คือให้สํารวมนะให้ระวังไว้นะอ่ตาไปเห็นอะไรหูจะยินอะไรลิ้นรสรสชาติอะไรอะไรต่างๆนี่อ่าสารวมระวังไว้นะเสร็จแล้ว คอยเฝ้าดูอะไรเข้าคอยคอยเฝ้าดูตัวเหี้ยคืออะไรกิเลส แ, ลแมมเข้าใจเปรียบนะโอ้กิเลสเนี่เปรียบเหมือนกับตัวเหี้ยนี่ยคอยเฝ้าดูตัวเหี้ยนี่ไว้พูดง่งยเพราะนั้นพวกคุณคอยเฝ้าดูอยู่ทุกวันหรือเปล่าว่ามันมีตัวเหี้ยเข้าแล้วก็ออกหรือเปล่าในใจเรานี่ดูให้ดีดูให้ชัดถ้าเปรียบอย่างนี้นะอาตมาว่ามันถึงถึงดีนะ มันทำให้บางทีเนี่ยโอ้โหวันนี้จะกินดีหรือไม่กินดีบางทีแม้ตัดสินใจไม่ได้ทักทีเท่าพอคุณนึกว่าโอ้โหนี่ตัวที่มันกำลังเดินเข้าเดินออกแล้วนะ <c oughs> เออบางิดขึ้นมาอย่างนี้บางทีโอ้โหเรื่องอะไร <c oughs> ใช่ไหมมันจะได้ตัดออกไปได้ง่ายหน่อยอธิมายว่าชัดดีเออสั ม, มเณีนี่ยกตัวอย่างได้ชัดดีเนี่ยพอพูดอย่างนี้ขึ้นมาปับ๊บด้วยธรรมะเพียงเท่านี้ ความแจมแจ้งได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรทันทีราวกับดวงไฟใหญ่ลุกโพรงขึ้นสว่างสวยัยภิกษุโปธิละถึงกับพร่งออกไปว่าพอละท่านสัตบุรุษเพียงคำสอนเท่านี้แหละได้ทำให้ผมแจมแจ้งแล้วสแสดงว่าจริงๆท่านก็มีบา ร, รมีที่สะสมมาเหมือนกัน แม้ว่าท่านยังไม่มีมรรคผลอะไรก็ตามนะแต่ความรู้ความเข้าใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ท่านมีอยู่มีเพียงแต่ว่าเป็นเหมือนกับเราเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับโคตรภูบุคคลเหมือนกับอะไรพวกนี้คือมีสัมมาทิฏฐิขนาดหนึ่งแต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดมรรคผลขึ้นมาอันเนี้ยเพราะนั้น พระโพธิละเนี่ยเป็นเหมือนกับโคตรภูบุคคลคือคือคาบเกี่ยวอยู่จะมาเป็นอริยาบุคคลก็ยังไม่เป็นแต่ถือว่ า, าพ่อท่านตาลอบว่าเอาถือว่าเป็น อ, อริยาบุคคลที่คาบเส้นคาบเส้นแลวคือยังไม่พ้นเส้นของความเป็นกัญยานชนหรือบุจจุชนเนี่ยคือยังไม่ไม่พ้นเส้นปุจุชนกัญยานชนแล้วที่จะเป็น รอยต่อที่จะเข้ามาสู่ความเป็นอริยชนคือไปข้าบอยู่พอดีนะตรงนี้นพูดง่ายๆว่าอะไรนะถ้าจะว่าไปเหมือนกับว่าขายืนเหยียบอยู่ที่เส้นพอดีจะว่าข้ามเส้นไปแล้วก็หม่ข้ามจะว่ายังไม่ถึงเส้นก็ไม่ได้เนี่ยแหละก็เลยหยวนๆเป็นเหมือนอริยบุคคลที่เรียกว่าอะไรอะคาๆค้างๆอยู่เหมือนกันนะ่ะคือมีสัมมาทิฏฐิแต่ว่ายังไม่ได้ ปฏิบัติจนกระทั่งเกิดมรรคผลขึ้นมาได้แท้จริงวันตอนนี้นท่านโอ้โหพรงขึ้นมาแล้วนะแสดงว่าท่านละแหละเกิดปัญญาที่เป็นคราวนี้เป็นปัญญาที่รู้กิเลสแล้วก็ชำระ ก, กิเลสละไม่ใช่ปัญญาแค่ทรงจำธรรมะไม่ใช่ปัญญาแค่รู้ธรรมะแต่เป็นปัญญาที่รู้กิเลสรู้กิเลสของตัวเองแล้วก็ล้างกิเลสของตัวเองได้ ขนาดเดียวกันนั่นเองเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเลยแม้พระศาสดาประทับอยู่ในที่อันไกลโพ้นก็ยังสามารถยังรู้ว่าราจิตของภิกษุโอธิระนี้ได้จึงทรงเปล่งอุทานออกมาว่าปัญญาดุดแผ่นดินย่อมเกิดขึ้นเพราะการไม่ทำอกุศลด้วยกายการตามรักษาวาจาและการสำรวมดีแล้วด้วยใจคือ พู่หญาตพรเจ้ารู้เลยว่าโอ้นี่พระโพธิละนี่เป็นยังไงเข้าใจแล้วเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็อุทานออกมาเลยบอกว่าเนี่ยปัญญาดุดแผ่นดินคำว่าปัญญาดุดแผ่นดินเนี่ยหมายถึงปัญญาที่แผ่นดินนี่คือมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมีความกว้างใหญ่ไพศาลที่จะแบบว่าสามารถที่จะ ย่ำยีสามารถที่จะข่มขีสามารถที่จะครอบงํากิเลสต่างๆได้จะเป็นราคะโทสะหรือว่าโมหะก็ตามเนี่ยได้จะใช้สำโดนว่าปัญญาดุดแผ่นดินนะย่อมเกิดขึ้นเพราะการไม่ทําดูนะไม่ทํากรรมสามนั่นเองคือไม่ทําอกุศลด้วยกายวุงง่นวากายกรรมนี่ต้องทํากุศลอย่าไปทําอกุศลเสร็จแล้วก็ รักษาวาจาพูดง่ายว่าคอยตามคอยดูแลอย่าให้ผิดสี่ข้อสี่มีอะไรบ้างอย่าโกหกอย่าก่ก า, กาข้อนหยาบอย่าสอเสียดอย่าเพอ้อเจอ้อนะเพราะนั้นเนี่ยคอยตามรักษาวาจาของตัวเองเนี่ยได้แล้วก็สำรวมดีแล้วด้วยใจคือระวังคำว่าสำรวมเนี่ยแปลว่าระวังคือเรามัดระวังใจเนี่ยไว้อย่างได้อย่างดีละ เพาะเนี่ยใครจะเกิดปัญญาดุดแผ่นดินอย่างนี้ได้จะต้องระวังกรรมสามอย่างนี้ให้ได้แต่ปัญญาดุดแผ่นดินย่อมสิ้นไปเพราะการทําอกุศลด้วยกายการไม่ตามรักษาวาจาและการไม่สํารวมให้ดีด้วยใจนะตรงังข้ามเลยพูดง่ายว่าปัญญาที่จะรู้กิเลสแล้วดับกิเลสได้เนี่ยถ้าใครไม่ปฏิบัติในกรรมสาม อันเป็นกุศลให้ได้คนนั้นไม่เกิดปัญญาที่เป็นดุดแผ่นดินนี้ได้ป่วยง่ายปัญญาจะเสื่อมไปเรื่อยๆปัญญาเนี่ที่ฉลาดในธรรมนี่จะหมดไปเรื่อยๆจะกลายเป็นปัญญาที่ปัญญาเฉโกเป็นปัญญาที่ไปในทางกิเลสครเป็นแบบคนโโลๆซึ่งเราบอกว่าโอ้หเขาฉลาดจังเลยนะแต่ฉลาดแบบโลกนะีนี่คือความที่พวกเราจะต้องเข้าใจตรงนี้ ผู้เจ้าทั้ง บ, บอกให้ฟังมาเนี่เพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาจริงเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่ที่กรรมสามด้วยความสาคัญอยู่ตรงนี้บางคนเนี่ยโอ้โหฉลาดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้กรรมสามไม่จะดีเลยอย่างนี้แสดงว่า น, นีเฉโกแหละไม่ใช่ของจริงเพราะนั้นคนที่มีสติปัญญาถูกธรรมะจริงแล้วกรรมสามจะต้องสุจริตจะต้องเป็นกุศลลกรรมด้วยบัณฑิตรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญ และความเสื่อมนี้แล้วจึงตั้งตนไว้ในทางที่ปัญญาดุดแผ่นดินจะเจริญขึ้นได้อันนี้เป็นคำอุทานของพระพุทธเจ้าซึ่งเพื่อง่ายพอพอเห็นอย่างนี้นี่แสดงว่าพอสิ้นคำอุทานของพระาศาสดาพระโพธิละเทร ะ, ทระ <c oughs> ก็ได้ตั้งอยู่ในพระอารหัตผลแล้ววีง่ายประลุธรรมเลยวันให้เห็นเลย วันตรงนี้จะให้เราเห็นเลยว่าว่าขนาดนั้นน่ยพอเนนพูดไปจบปั๊บพระโพธิละนี่ท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็เข้าใจแจมแจ้งหรือตัดสลู้นั่นเองรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้เลยพระเจ้าท่านก็จับอารมณ์จิตเหล่าเนี้ได้ว่า oh, โอ้กิเลนี่ท่านหมดเกี้ยงแล้วท่านสิ้นเกี้ยงแล้วพระเจ้าก็เลยตัดคําเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อพูดง่ายว่า ให้เห็นเลยว่านี้เนี่ยเนี่ยพระโพธิละนี่เข้าใจกรรมสามอันเป็นกุศลละว่ากรรมสามอันเป็นกุศลนี่แหละถึงจะทำให้เกิดปัญญาที่ถูกต้องที่แท้จริงได้นะท่านก็อุทานออกมาเองเพราะความเข้าใจอันนี้ซึ่งตรงนี้นะเรื่องนี้เราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหข้อที่น่าคิดก็คือไม่ได้หมายความว่าคนที่ฟังเทศฟังธรร ม, มเยอะ ฟังทำมาก็มากบางทีอยู่วัดมาก็นานไม่ได้หมายความว่าเราได้มากผลแล้วนะบางทีอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้แหละเสร็จแล้วก็อะไรกินบางสวิรัติก็ได้เขาถือศีล5้ากันเราก็ทำตามเขาก็ได้แต่บางทีไอ้การทำตามเขาหรืออะไรต่ออะไรดูภายนอกกายกรรมก็อาจจะใช้ได้ก็ได้ใช่แต่วจีกรรมนี่ชักไม่แน่แล้วเพราะวันจีกรรมมันควบคุมยากกว่า ยิ่งคราวนี้มโนกรรมโอ้โหยิ่งยากไปใหญ่เพราะบางทีมือทํามาข้างซ้ายใจอาจจะไปข้างขวาก็ได้เพราะอันนี้ยิ่งยากเพราะเจ้าตัวจะรู้เองยิ่งถ้าสมมุติว่าเรารู้เลยว่าไอ้ที่เราทำทำอยู่ทุกวันเนี่ยโดยกายกรรมโดยวัจีกรรมโดยมโนกรรมของเรานะไม่ได้เป็นไปโดยที่เกิดปัญญาแท้เราไม่ได้รู้กุศลไม่ได้รู้อกุศลจริง จริงเราสอนก็อื่นได้แต่ตัวเองทําได้หรือเปล่าเพราะนั้นถ้าตัวเองทําไม่ได้จริงคําว่าทําได้จริงนี่หมายถึงว่าทําแล้วรู้นะว่ามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสไม่ใช่ทําไปแล้วนี่ทํำตามๆเขาบางทีไม่ได้คิดอะไรเลยะทําแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเขาทำอย่างนี้เอาเขากินมังสวิรัต ก, ก็มันมีแต่มังสวิรัต่ที่เนี่ยก็กินตามเข้าไปโดยที่ไม่รู้เลยว่ามังสวิรัตนี่กินไปเพื่ออะไร่ะ เพื่อสิ่งข้อที่หนึ่งเพื่อความเมตตาเพื่อที่จะไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอะไรไม่ใส่ใจไม่สนใจฟังคนพูดก็จริงนะแต่ในจิตใจของตัวเองไม่ได้มีสภาวะธรรมไม่ได้มีความเข้าใจอย่างนั้นเลยก็เพียงแต่บอกว่าสักแต่ว่ากินตามเขาอื่นเข้าไปถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะคุณยังไม่ได้มีบัคผลฮ้อนคนประเภทนี้บางทีถ้าหลุดไปแล้วนะไปเจอภัสสะไปเจออะไรที่ ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้แล้วเปลี่ยนแปลงได้ก็จะกลายไปเป็นกินเนื้อสัตว์ไปเบียดเบีย น, ยนทำร้ายอะไรใครเขาก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ถึงจิตเนี่ยไม่ได้ทำได้จริงมันทำได้ตามเขาไปทำตามเขาไปเราเรียกว่าถือศีลแบบะแบบพัตตุ ป, ปาทานนะตามจารีตตามขนบธรรมเนียมตามหมู่กลุ่มตามอะไรไปเท่านั้นเอง ถือศีลไปเป็นแบบอุปทานตามตามกันไปส่วนถ้าถือศีลแบบพัตตาปามาสนี่คือศิลพัตตาปามาสนี่ก็คือถือศีลแบบเล่นเล่นหัวหัวไม่เอาจริงเอาจังนีมันมีสองอย่างเพราะเนี่ยฝากไว้ให้พวกเราเข้าใจกันล้กันนะเพราะนั้นจากเรื่องนี้นะก็จะเป็นแง่คิดที่ดีอย่างคงต้องย้านะเพราะฉะนั้น ตะบะทำเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์เราได้เหมือนกันว่าเราทำได้หรือไม่ได้หลายคนชอบคิดว่าโอ้อย่างแง่สบายมากจะทำเมื่อไหร่ก็ทำได้แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะว่ามันต้องพิสูจน์ความจริงว่าถ้าทำได้จริงทำด้วยมีปัญญายาด้วยมีความรู้จริงไหมอ่าแล้วถ้าได้จริงคุณไม่ดิน้นคุณไม่ทุรนทุรายอะไรหรอกทาแล้วจะยิ่งมีความปิติ สุขมีความภูมิใจด้วยเอเอนีเรางดเราเว้นมาได้เราได้ดีแล้วเนาะดังนั้นฝากไว้ด้วยเราจะได้เห็นว่าเออคนเราบางทีเราอยากจะรู้ว่าเรามีพักผลไหมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเราถึงจะรู้ว่าเรามีพักผลจริงหรือเปล่าคนอื่นพิสูจน์เรายากอยู่เพราะอย่างน้อยใจนี่ของเราคนอื่นไม่รู้ใจเราเราเป็นผู้รู้ใจเราเอง ยกเว้นผู้มียาอย่างรู้เท่านั้นนะอา้าววันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้